สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะก็ดังกล่าวที่จะ 106 แห่งนี้นะคะ ได้มาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะดิฉันเองๆตัวแล้วก็อยากจะให้ท่านได้ช่วยกรุณานําเอา โบสถ์ที่วัดบางนานอกซึ่งติดแม่น้ําเจ้าพระยานนะคะเกิดอุบัติเหตุไฟ ซึ่งเป็นที่พึงทางใจของชาวพุทธไฟไหม้อย่างชนิดๆอันนี้มีธรรมะอะไรเอา Uh, เอ่อไฟเนี่ยพระเจ้าเคยเตือนเอาไว้ว่ากองเล็กๆเนี่ยต้องๆนะทีนี้ตอนที่มันเช่นเออ 10 นาที คุณทำไปเรื่อยคุณทำไปเรื่อยนะมันจะเริ่มพาความเอ่อไม่ดีที่มากขึ้นมากขึ้นมานะ แล้วก็เอ่อภิกษุหนุ่มหรือว่าค่ะอ่ามีบทพยัญชนะชัดๆนะคะดิฉันเนี่ยชอบความไพเราะอืม ในโทษแม้เพียงเล็กน้อยใช่อันนี้ทางธรรมะตรัสในโอกาสใด 5 นั่นก็คืออยู่ผู้ๆนี่แหละ ว่าไฟกองเล็กนี่นิดๆหน่อยๆเราก็ค่ะคือถ้าหากว่าจะให้ท่านผู้ๆก็คือให้เห็นภัย เป็นวจนะนะใช่ก็ต้องบอกว่าๆเราอาจๆเนี่ยก็จะเกิด ไหนโทษแม้เพียงเล็กน้อยจําไว้แต่เช้าเลยนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าจําหลัก อ่าแต่นั่นก็หมายความว่าก็ยังบวชใช่ๆในตอนนั้นเข้าใจว่ามี 2 <อ>รูป เอ่อสมุทไกรสคนใดคนหนึ่งเห็นภัยในวัฏสงสารใช่มั้ยจะเอาขอ นะหลังจากนั้นก็จะมีพอมีภิกษุหมู่มากขึ้นทุกคนจะต้องไปหา นะ, นะ, นะ, นะ, 10 รูปหรือหรือรูปขึ้นไป 10 รูปหรือหรือ 20 รูป<ใช> นั่นที่ว่าเป็นบริเวณที่เอ่อภิกษุเนี่ยเค้าตกลงกันแล้วว่าบริเวณเนี้ยนะจะเป็นเขตวัดค่ะคือดิฉันทราบว่ามรดกที่พระพุทธองค์ เป็นวินัยเลยหรือว่ามางอกงามในภายหลังก็ท่านค่ะว่าจํานวนใครจะเป็นอุปัชฌาย์ได้นะคนจะบวช ถ้าเรายังพูดกันอยู่ในเรื่องอุทาหรณ์จากกรณีโบสถ์ ไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะเนี่ยมันร้อนแรงยิ่ง อ่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอาตมามาลองเคยคิดใกล้คลึง 24 ชั่วโมงเค้าก็ดับได้ใช่ นะเกิดเป็นมนุษย์คุณก็ถูกมันเผาเกิดเป็นเทวดาคุณยังถูกมัน มีความสามารถที่จะระลึกชาติย้อนหลังไปได้ณชาติละชาติ 100,000 ชาตินะแล้วก็เลือกๆไปนะไม่ต้องกินไม่ต้องนอน 100 ปีนะ 400 ปีต่อ นะสังสารวัฏที่คุณจะระลึกย้อนกลับไปว่ามันเริ่มต้นตรงไหนนี่ยัง ค่ะอย่างที่นั่งๆกันเดินเหินๆวันถ้าเค้ายังมีกิเลสอยู่นะเค้าก็จะถูกเผาอยู่ใช่แต่ถ้าสมมุติว่าพระเรานะจิต นะมันเผาจนแห้งผากเรากระหายกระหายเนี่ยคือลักษณะของความอยากนะถ้าหิวคือลักษณะของ อะไรจะดับไฟกิเลสได้ครับท่าน 3 อย่างนั้นคือราคะโทสะโมหะเนี่ยนะคือของเอ่อความเกิดความแก่ความตายใช่มั้ยมีความ<ใช> เอ่อหญ้านะหญ้าที่มันงอกงามโตแผ่ซ่านจะเป็นวัชพืชมันก็จะมากวนใจ<ใช> คุณจะทําโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นนะคุณจะทําโพชฌงค์ให้เกิดขึ้นได้คุณจะ 4 ให้เกิดขึ้นนะจะทําสติปัฏฐาน 4 ให้เกิดขึ้น 7 ให้เกิดขึ้นได้เกิดโพชฌงค์ 7 แล้วจะทําวิชชาวิมุตติให้เกิดขึ้นได้เกิดวิชชาแล้วอวิชชามันดับ ก็ทนหาอยู่ไม่ได้ราคาโทรศัพท์มันก็จะดับหมดนะสบายใจมากค่ะเห็นมีหลายอ่าทํากันซะอืมก็แค่แล้วตรงเนี้ยชื่อว่า มึนตึงไปไม่สบายใจเอาๆน้อยหยดไปหยดไปมันก็ทําเอ่อมหาสมุทรให้ ได้ทุกตลอดเวลานะค่ะดิฉันเองก็อาศัยที่จะต้องสรุปให้ทันเวลาเพราะว่าก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วอ่าธรรมะที่ได้ข้อแรกก็ วันนี้เราคงจะต้องกราบนมัสการขอบพระคุณท่านค่ะนมัสการค่ะเรียนบานก็เป็นรายการสังสรรค์ ไฟไหม้ของถูกแตกทําลายเราก็มักจะพูด